ส, สิผู้เพลินหรือผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองพระพุทธภาษิตอิทันนันทติเปจนันนทติกะตะปุญโยอภยะทะนันทติปุญยังเมกตันตินันทติพิโยนันทติสุขติิงคตโตความว่าผู้ใดได้ทําบุญไวย้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทําบุญไว้แล้ว เมื่อไปสู่สุขติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่12ซึ่งได้อธิบายมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเท็จ ด, ดื่มสุรา บางคนเพลิดเพลินด้วยอบายมุขเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนด้วยการค้าหากําไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาเสื่อเสียงมากมายเหลือจะจารในได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทําบุญและการประกอบกรรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนจะเป็นความเพลิดเพลินที่ดีที่สุด เพราะยั่งยืนกว่าบริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยเรื่องประกอบสุมนาเทวีสุมนาเทวีเป็นทิดาคนเล็กของท่านอนาถบินติกาเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมาก ต้องไปงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดนางวิสาขามหาอุปาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีมีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติเตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไป แต่งานเลี้ยงพระที่บ้านของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกันมีเป็นประจำทุกวันเสียด้วยบ้านท่านอนาถบินเิกะเลี้ยงพระวันละสองพันรูปบ้านนางวิสาขาก็สองพันรูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปงานรับเชิญได้โดยไม่ต้องกังวล น, นางวิสาขาได้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ดูแลแทนตน ส่วนอนาตบินิกะก็ให้ธิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัทาแทนตนเมื่อมหาสุพัทาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมเนือ ง, เ, องเขาได้เป็นโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงให้จุนละสุพัทนาน้องสาวทำแทนต่อมานางได้เป็นโสดาบันแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีเสอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งทิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้จัดการ เธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสักกาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปหรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกเพอไปหรือไม่เพอน้องชายลูกกลัวหรือไม่กลัวน้องชายสมณาพูดได้เพียงเท่านั้นก็สิ้นใจ เศรษฐีแม้จะเป็นะัสดาบรรแล้วก็ไม่อาจขั้นความโศกได้เมื่อปรงศพทิดาเสร็จแล้วก็ร้องให้ไปเฝ้าพระศ า, าสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัมภัสตท่านร้องให้ทาไมพระศ า, าสดาตรัสปลอบข้าพระพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นเศรษฐีทูลแต่ทิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่า เธอผู้มีหิริโอตปะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นป่านนั้นเมื่อจวนตายยังเพอหลงทรรมการกิริยาโทมนัตจึงเกิดแก่ฆ่าพระองค์ไม่น้อยเศรษฐีได้ทูลเล่าเรื่องที่ตนสนทนากับทิดาโดยสิ้นเชิงพระศาสดาผู้มีพระญาณอันไม่ได้ติดขัดจึงตรัสว่าเศรษฐีที่ทิดาของท่านผู้เช่นนั้น นางหาได้เรียกท่านว่าน้องชายในความหมายธรรมดาไม่แต่ท่านเป็นน้องชายของนางโดยมรรคและผลนางได้เป็นใหญ่กว่าท่านโดยมรรคและผลท่านเป็นเพียงโสดาบันส่วนนางได้เป็นสกทาคามีแล้วนางจึงเรียกท่านว่าน้องชายเศรษฐีแสดงอาการปราปลื้มและถามเวลานี้นางเกิดที่ไหนพระเจ้าข้าเกิดแล้วในภพดุสิตพระาศาสดาตรัสตอบ เศรษฐีทูลว่าธิดาของข้าพระองค์เพลิดเพลินอยู่ในหมู่ญาติในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วยังเพลิดเพลินในเทวโลกอีกหรืออย่างนั้นแลเศรษฐีบุคคลผู้ไม่ประมาทเป็นบรรพชิตหรือขรุขระก็าตามย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นว่าผู้ได้ทาบุญว่าย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองเป็นต้น อิหยังธรรมกถาสาทายสมันเตหิสันลเคตาปาตต เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลถ้าเป็นเรื่องของบุญของกรรมของกิเลสของตัณหาแม้จะเป็นสมัยไหนสมัยไหนการไหนก็ตามก็คงไม่แตกต่างกันการที่จิตใจถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหาไม่เลือกว่า จะเป็นคนธรรมดาหรือจะเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ก็ย่อมมีกิเลสมีตัณหาไม่แตกต่างกันดังนั้นจึงมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแม้ในสมัยพุทธกาลเองเหตุการณ์อย่างนี้ปราดทั้งหลายท้าจึงเรียกว่าเป็นละครชีวิตเป็นละครลงใหญ่ ทุกยุคทุกสมัยละครนี่มันก็มีบทบาทเหมือนเขาเล่นนนะเอามาจากของจริงนะที่เขาเล่นละครนะ่ละครลงใหญ่ก็คือละครชีวิตนี่อันนั้นจำลองละครชีวิตมาเล่นละครชีวิตจริงมันก็มีอย่างนี้ตลอดทุกยุคทุกสมัยมีคนร้ายมีคนดีมีคนมีกิเลสมีคนไม่มีกิเลส เล่นกันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยแบางทีก็ทำให้อดคิดไม่ได้ออสมัยพุทธเจ้าของเราเนี่ยน่าจะมีคนบุญคนดีเยอะเนี่ยด้วยพระปัญญาคุณน่าจะได้แต่คนดีๆเข้ามาสู่ธรรมวิเนยเนี่ยแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เนี่ยเพราะว่าคนนั้นไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามาแต่กำเนิดเนี่ยต้องมาฝึกขัดมาปฏิบัติเนี่ย ยกแรกๆ ก, ก็คงเป็นธรรมดาแล้วยกแรกนั้นคนมีความตั้งใจมีศรัทธาเนี่ยมาก็มาด้วยศรัทธาด้วยความตั้งใจจึงมักไม่มีปัญหาอย่างพระอริยสาวกรุ่นแรกๆเนี่ยอย่างเช่นพระอริติมหาสาวกเนี่ยนี่ไม่มีปัญหาท่านมาด้วยศรัทธาเนี่ยมาฟังธรรมก็สําเร็จเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระหันเนี่ย หรือเป็นพโสดาบันซึ่งไม่ตกต่ำอยู่แล้วหลังจากนั้นเมื่อมีมากขึ้นการขยายตัวมากขึ้นมองดูเหมือนความเจริญแต่ว่ามันก็เป็นจุดอ่อนก็คือความเสื่อมมันก็อาศัยความเจริญดังที่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้แล้วความเจริญมากขึ้นคนปรารถนาความดีอยู่เหมือนกันแต่ว่า จิตใจมันศรัทธามันยังไม่ถึงนหรือบางครั้งบางคราวเ น, นี่ยก็ศรัทธาไม่พร้อมเห็นว่าดีก็อยากจะลองอย่างนี้เนี่ยเมื่อมาลองดูแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่เต็มใจที่จะทำเพราะว่าศรัทธามันไม่เต็มร้อยเนี่ยก็เลยมีเหตุมีอะไรเกิดขึ้นจะไหงหลังๆมาจึงมีพุทธบัญญัตินะ เดิมทีเดียวไม่มีพุทธบัญญัติเพราะมีแต่พระอริยสาวกเน่ซึ่งไม่ได้ทำผิดอะไรอยู่แล้วการที่จะทำผิดด้วยเจตนานั้นไม่มีอยู่แล้วจึงไม่มีพุทธบัญญัตนะิเน่ยดันั้นพุทธบัญญัติที่เกิดขึ้นก็อาศัยคนทาผิดทำไม่ดีเนะี่ยจนได้รับคำติเตียนนะจากภายนอกบ้างอะไรบ้างเนะี่ยจึงเป็นเหตุให้บัญญัติศิกษาบทเนะีนะ่ยเมื่อมีคนไม่ดีเกิดขึ้น ก็เท่ากับการฝากก็ย่อมเกิดขึ้นเหมือนที่พระองค์ทรงตรัสว่าการเกิดขึ้นของข้าวผีก็เพื่อทำลายข้าวดีการเกิดขึ้นของอสัตบรุษคือคนผ่านก็มาเพื่อทำลายทาลายคนดีๆหรือสัตบรุษการเกิดขึ้นเหมือนก็เลยเกิดมาเพื่อทำลายอย่างเพีะยะอย่างศัตรูทั้งหลายศัตรูพืชทั้งหลายนี่ มันเกิดขึ้นเพื่อทำลายนี่นี่เมื่อมันมากขึ้นมันก็เป็นลักษณะนั้นนี่้จึงมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนี่แต่ที่น่าคิดก็คือว่าอย่างพระเทวทัตยอย่างที่พระองค์ทรงตัดนี่ได้กระทำบำเพ็ญมากันไม่รู้กี่ชาติถ้าเราอ่านชาดกก็เรื้ชาตินี่ก็จะมีพระเทวทัตเนี่ย เป็นตัวเด่นเด่นในทางเป็นผู้ร้ายเนะี่ยคอยบัทอนความดีของผู้ทำดีอยู่ตลอดเวลาเนะี่ยแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งในธรรมมาทิ่ฐานก็เรีท่านยอมที่จะเป็นพยามารเนนะี่ยคอยขัดขวางการกระทำดีของคนดีเนะี่ยนะี่ชื่อว่ามานก็คือคอยขัดขวางเนะี่ยฉะนั้นก็ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้เกิดมุมมองว่า ผู้ทำดีถ้าหากว่าไม่มีมารเนี่ยความดีก็จะไม่ไม่เจริญไม่ก้าวหน้านะดังนั้นคนดีจึงมองในแง่ดีนี่ที่เราบอกว่าถ้ามารไม่มีบารมีก็ไม่แก่เนี่มารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดนี่มารไม่มีความดีก็ไม่เจริญอะไรทำนองนี้แหละเนี่ยดันั้นก็ผู้ที่นิยมทำกุศลทำคุณงามความดีนี่ก็มองในแต่สิ่งที่ดีแม้จะเห็นคนไม่ดีก็มอง ในแง่ดีนี่จึงได้แต่ความดีนี่ตรงกันข้ามกับคนชั่วนีคนไม่ดีนี่เห็นคนดีก็มองในแง่ไม่ดีนี่คิดแต่จะทำชั่วคิดยาทำร้ายนีนี่นั่นคือลักษณะของคนผ่านจึงเกิดมาเพื่อทำลายนี่นี่ดงจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนในสมัยพระเจ้าเองก็ต้องมาประสบกับสิ่งเลวร้ายอย่างนี้นี่ แต่ด้วยบารมีของพระองค์ก็เอาชนะได้ตลอดการเนะนี่ยนี่ทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยไม่ธรรมดานะสมัยพุทธเจ้าของเราเนี่ยเนี่ยถ้าเราเราอ่านในธรรมบทนี่โอ้หลายเรื่องหลายอย่างที่ถูกกันแกล้งเนะี่ยคนไม่ชอบใจเห็นไหมนี้กับพวกที่อยู่ในธรรมวินัยเองก็ยังถึงขนาดนี้แล้วยังไม่ต้องพูดถึงพวกข้างนอกอีกนะ พวกเดรธีนี่พวกปริพาชกนี่ที่ขาดลาบสการะนี่ก็หาวิธีเอาชนะเนี่ยอย่างพวกปริพาชกเดรธีกลุ่มนั้นน่จนกระทั่งว่าหาอุบายวิธีให้นางจินจานวิกาเนี่ยซึ่งเป็นคนงามคนสวยที่สุดเนี่ยในที่นั้นเราอยู่ใกล้ๆแถววระเชตวันนั่นแหละเนี่ยเราก็ใช้วิธีนี้เนี่ยนี่ แต่สุดท้ายก็พระองค์ก็ชนะด้วยบรารมีที่พระองค์ได้กระทามาเนี่ยกรรมมันก็สนองให้เองเนี่ยกรรมในเมื่อยังไม่ให้ผลเนี่ยคนผ่านก็คิดว่าถูกคิดว่าดีคิดว่าตนเองได้เปรียบเนี่ยตนเองต้องชนะแน่เนี่ยแต่เมื่อกรรมมันให้ผลแล้วบุคคลผู้นี้ก็หาที่อยู่ไม่ได้เนี่ยต้องถูกธรณีสู้ คือมันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้นั่นแหละถ้าจะพูดแบบคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้ก็มันอยู่ไม่ได้เดินไปไหนมันก็ไม่ได้นี่มันต้องมุดดินหนีบ้างเลยนี่มันหาที่อยู่ไม่ได้นี่มุดดินหนี้มันจมเลยไงธรณีพูดง่ายๆก็ตายไปจะดีกว่าที่จะอยู่ในโลกนี้นี่นั่นก็แผ่นดินวัตสูบนี่นี่นี่พูดในแง่นี้นี่นั่นคือคนไม่ดีนี่มันมีมาตลอดนีตั้งแต่สมัยในสมัยไหนนี่ แม้แต่พระญาติของพระองค์เองเนี่ยไม่ชอบพระองค์นะก็ยังกันแกล้งพระองค์เนี่ยอย่างสุ ป, ปะพุท ธ, ธะเนี่ยนั่นก็กยังหาเรื่องให้เจ้กัลตังถูกแผ่นดินสุเหมือนกั น, นถ้าเราฟังอันนี้บางทีเราคิดว่าทําไมสมัยเรามันแย่เหลือเกินสมัยเรามันเป็นสมัยที่เรียกว่ามัน ท่านนับตั้งแต่พุทธกาลมามันตั้งสองพันเจหร้อยปีแล้วนี่ผมคิดว่าถ้ายังมีธรรมะมีศีลธรรมอยู่ก็ยังถือว่ายังดีมากๆยังโชคดีมากๆเนี่ยการที่ผ่านไปเป็นพันปีนี้ยังรักษาไว้ได้เนี่ยครูบาอาจารย์ได้พยายามรักษาไว้ได้เนี่ยแล้วมีข้อพิสูจน์ให้คนมีปัญญาได้พิสูจน์ได้ถึงความจริงเกลี้ยสัตว์เนี่ยก็ถือว่าเป็น โชคดีนะเนี่ยโชคดีแม้จะมีสิ่งเลวร้ายบ้างเนะ่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่มันมีมาทุกยุคทุกสมัยเนะี่ยในยุคที่ยังไม่เจริญมากนะแม้พระพุทธศาสนาจะผ่านไป2500กว่าปีก็ตามเนะี่ยถ้าสังเกตให้ดีเนะี่ยความเจริญเนะี่ยแต่ความเจริญในที่นี้พูดในภาษาภาษาโลกเนะี่ยภาษาของโลกคือความสะดวกสบายเนะี่ยอะไรก็ตามถ้าเป็นความสะดวกสบายนะี แต่ทางพุทธศาสนาเนี่ยคำสอนว่าความสะดวกสบายเนี่ยมันฆ่าคนมันฆ่าคนวันที่พระองค์ตัดว่าลาบสการะและเสียงเยินยอนี่ฆ่าพระเทวทัตเองนี่เขาแสวงหาลาบสการะแต่เขาไม่รู้ว่าลาบสการะนั่นแหละจะฆ่าเขาเองนี่นี่นี่เมื่อสิ่งเหล่านี้มันครอบงําแล้วมองไม่เห็นธรรมนี่แม้คําที่พระองค์เตือนก็มองไม่เห็นนี่เห็นไหมพระองค์เตือนแต่เตือนแบบเจ็บเจ็บนี ว่าคนประเภทนี้ต้องว่าเจ็บๆเนี่ยบอกว่าเธอก็เป็นในวงของสากยะโลกิยะวงเนี่ยเธอบวชในธรรมวินัยกับตถาคตผู้นำคนหรือสัตว์ออกจากทุกข์แล้วเป็นผู้ที่สละลาบสการะดุดก้อนเคละแต่เธอยังต้องไปเก็บเอาเอาในสิ่งที่ท่านขาดออกทิ้งไปแล้วเนี่ย คำนี้ที่ท่านพยาบาทมากเลยเจ็บใจมากเลยกนะ็เรียกว่าด่าเจ็บมากนะอาศัยภาษาโลกนะี่ท่านก็เลยอาฆาตแบบโอ้ยมุทลุตอนนั้นเนะี่ยเรียกว่ากุศลธรรมทั้งหลายนะี่หายไปหมดเลยเนะี่ยความดีทั้งหลายที่กระทําไว้ทั้งหมดนะี่ไม่เหลือเลยนะี่ท่านจึงดันไปเต็มที่นะจนถึงที่สุดเลยเนะี่ยแต่ก็ดังที่พระองค์ได้ตรัสว่าด้วยพระเมตตาคุณของพระองค์เนะี่ยที่อัตตะตาจารณะ ท, ที่พระองค์ทรงให้บวชนั้นก็เพราะ ความอนุเคราะห์ความเมตตาของพระองค์เห็นว่าถ้าให้อยู่ฆราวาสเนี่ยอย่างโยมเนี่พระเทวทัตเนี่ยเขาจะทํากรรมหนักมากเกินไปเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้ผุดได้เกิดมาในทางกุศลได้เลยเนี่ยยังก็เลยสงเคราะห์มันสงเคราะห์อย่างน้อยว่าทํากรรมถึงที่สุดเขาก็ได้ได้สํานึกเมื่อสํานึกได้เใช่ไหมตอนท้ายก็ยังก็ยังดีแม้ว่าจะตกอเวจีมหานรกก็ตามนี ก็ยังสำนึกได้บอกว่าเขาขอถวายบังคมแล้วก็ขอขมาโทษในขณะนั้นแม้ไม่ได้เข้าเฝ้าพระองค์ก็ตามเมื่อสำนึกได้แล้วเนะี่ยขอโทษขอขมาโทษแล้วขอถึงพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นก็เป็นความดีของท่านนะพระองค์ก็เลยพยากรณ์ว่าในอีกแสนกับไม่รู้เมื่อไรเนี่ย <c oughs> มาเกิดมาแล้วก็ยังจะได้เป็นพระปัจเจกับพุทธะนะแล้วก็ คงนิพพานเหมือนกันนั่นคือพระเมตตาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายน่าสงเคราะห์ถึงที่สุดแม้จะเป็นศัตรูมาด้วยกันยาวนานไม่รู้ยาวนานเท่าไหร่นะเป็นคู่มาตลอดเนะี่ยแต่พระองค์ก็ยังสงเคราะห์นโดยพระเมตตาคุณเนะี่ยนี่เราจึงท้ามองในแง่พระคุณของพระองค์วพระองค์มีพระมหากรุณาที่คุณมีพระเมตตาคุณด้วยความบริสุทธิ์ที่คุณที่ พระองค์มีอยู่ในพระไทยของพระองค์เนี่ยจึงทรงเกื้อกูลสัตว์แม้ที่เป็นศัตรูของพระองค์เองเนี่ยั่นคือข้อคิดต่างๆที่เราได้ศึกษาเนี่ยมีหลายเรื่องหลายอย่างเนี่ยซึ่งเป็นคติธรรมเนี่ยนำมาสอนจิตสอนใจเราเนี่ยให้เราได้สำนึกในดำเการดำเนินชีวิตหลายแง่หลายมุมนะมากมายเลยที่เราได้ศึกษาเนี่ยเราได้ความรู้หลายแง่หลายมุมเนี่ยได้ข้อคิด มากมายนีทั้งในการดำเนินชีวิตในการที่จะอยู่แบบดำเนินชีวิตแบบโลกแบบธรรมแม้พระเทวทัตเองก็ยังเตือนให้ข้อคิดธรรมะพระชจ้ า, าศาสตูเห็นไหมละ่ะแต่ว่าเอาอุบายนี้เพื่อให้ไปทำชั่วบอกว่าพระราชกุมาร น, นี่พระองค์เนี่ยไม่เฉลียวใจเลยรือว่าชีวิตของคนนี้มันไม่ได้ยืนยาวอะไรเนี่ยชีวิตนี่น้อยนี่ถ้าพระองค์จะคอย จนกระทั้งว่าเนี่ยพระราบิดาสละราชสมบัติเนี่ยแล้วเกิดท่านเนี่ยตายซะก่อนเนี่ยท่านจะได้ครองเลยเนี่ยบอกว่าทางที่ดีรีบชิงก็ได้อายุให้ข้าพระเจ้าพิพิสานเอาจนสําเปรหมือนกันเห็นไหมล่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะอายุเอาจนนี่นี่นแสดงว่าท่านก็มีความสามารถไม่ธรรมดาเหมือนเนี่นยเรียกว่าพูดหวานร้อมเอาจนได้เนะี่ย แต่ว่าประชาชนนี่เขาก็ดีนะเมื่อสุดท้ายเนะี่ยหลายเรื่องหลายอย่างมันประมวลกรรมของเขาที่เป็นคนสร้างขึ้นมาเองเนะี่ยกรรมตัวนั้นผลของกรรมก็ย่อมให้เห็นไหมพวกชาวบ้านประชาชนทั้งหลายเขาเรียกว่าประชาทิปไตยด้วยการกล่าวคําเรียกว่าไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่คนตําหน่้พวกประชาชนทั้งหลายนะี่ยบอกว่า พระเจ้าชาติศัตรูนี่คบคนไม่ดีครบพระเทวทัตเนี่ยแล้วก็จนกระทั่งว่าเดียกว่ า, าทําลายพระบิดานี่จนสิ้นผชนนี้ก็เฝ้ า, าการคบพาพระเทวทัตนี่ท่านก็เลยกลัวนี่พอกลัวแล้วก็เลยเป็นเหตุให้สํานึกได้ก็เลิกละไม่ไปบํารุงบำรเลิพระเทวทัตเนี่ยก็เสื่อมจากลาบไปหมเพราะเสื่อมจากลาบแทนที่จะสํานึกก็ไม่อีกแหละ หาเรื่องเอาจนได้นี่หาเรื่องที่จะให้เข้าศรัทธานะที่ไปอ้างวัตถุห้าประการนี้ขอพรห้าประการนี้นึกว่าพระ เ, เจ้าจัดส่งก็คงจะรู้อยู่ว่าพระองค์คงไม่ส่งนุญามแน่อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นคำเด็ดที่จะต้องเราจะต้องเป็นฝ่ายชนะให้ได้ก็จริงอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ให้จริงๆนี่สุดท้ายก็คิดว่าตน เก่งกว่าเพ่งกว่าเนี่ยเรียกเขาภิกษุใหม่ๆไปได้เนี่ยนี่แต่ก็เลิงไปนะเอาไปแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ให้พระโมคคลลาสาริบุตรไปด้วยโมหะเนี่ยด้วยโทสะเห็นไหมเนี่ผู้ที่ถูกความโกรธครอบคําแล้วย่อมไม่เห็นธรรมนี่พาษิทข้อหนึ่งเนี่ยความไม่พอใจครอบงำแล้วทำทั้งหลายเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยฉะนั้นจึงไม่ฉเฉลียวใจยังไป ม, มองคิดกลับกันว่าเห็นพระโมคคลลานาสาริบุตรไป นึกว่าเรื่อมใสตนเองเพราะนึกว่าเรื่อมใสแล้วก็เลยให้โอกาสบอกว่ามาแล้วก็ดีแล้วช่วยสอนภิกษุด้วยเราเหน็ดเหนื่อยมากนักว่างั้น <c oughs> ทำตัวเป็นศาสด า, า, า, า, า, าเองเลยเนะี่ยสุดท้ายก็ไปเทศดึงกลับมามดเลยตื่นขึ้นมาก็เซ็ตเนี่ยนั่นก็เป็นเหตุให้เสื่อมเลยทีนี้แล้วก็เวลารับผลของกรรมเนี่ยกรำ ม, มันให้ผลตลอดเลยเนะี่ยมันไม่มีช่องว่างให้เลยให้ตลอดไปสมกับ กรรมที่ได้กระทำไว้จริงๆเนี่ยเนี่ยนั่นก็คือเรื่องราวของพระเทวทัตจริงๆร า, ายรายละเอียดเยอะมากเลยเนี่ยนี่ท่านรจนาไว้อัคกร า, า, าจาร์เนี่ยละเอียดยาวตั้งแต่เริ่มต้นอย่างไรเนียเขียนหนังสือได้เป็นเล่มใหญ่มาเริ่มเลยเนี่ยศึกษาใหม่ๆเนี่ยศึกษาเนื่องจากเป็นคนศรัทธาจริตอยู่แล้วน่ยน้ำตาไหลอยู่เลยแต่ก่อนศึกษาเรื่องเหล่านี้ ตั้งแต่เข้าโรงเรียนป .3 ไม่ไม่น่าเชื่อนะป .3 นี่ก็ไม่เรื่องนี้นะนี่ได้ศิลธรรมนะเนี่ยก็บทนี้ให้อ่านเนะี่ยังจำได้ตั้งแต่นันเนะี่ยอ่านแล้วชอบใจนะอ่านแล้วน้ำตาไหลหเป็นเด็กนะเพราะว่าเขาเขียนภานาได้ดีมากเลยนี่ตอนที่พระเจ้าชาติศัตรูจับพระเจ้าพิมพประสานไปขังไวนะ้เนี่ยขังไวนะ้ในพระมเหสีนี่ทรงรักภาษามีมากเยเอาอะไรไปส่ง ไปส่งแล้วก็ท่านก็อยู่ได้ไม่สวรรคตนี่พอสืบได้ว่าเอาใส่อะไรไปก็เสืออยู่ตลอดเวลาใส่ฉลองพระบาทก็คือใส่รองเท้าไปก็ใส่แล้วพระเจ้าพิมพสารก็สเสวยใส่มวยผมใส่ชายพกใส่อะไรไปเนี่ยก็จับได้หมดจับได้หมดจนก่อนจะไปต้องตรวจตาก่อนว่าเอาอะไรไปบ้างให้ไปแต่ตัวน ฟ้า น, นางก็สุดท้ายมันหมดปัญญาเนะี่ยก็เลยเอาทำอาหารทิพตต้องใช้คำว่าอาหารทิพเอาพวกนมพวกเนยพวกข้าวอะไรต่างๆที่มีวิตามินมากๆเนะี่ยมากูนเข้าใ ห, ให้ละเอียดเ่ยนะละเอียดเหมือนแป้งเลยนะเสร็จแล้วก็เอามาทาตามอาบน้ำสงน้ำเสร็จแล้วทาตามเนื้อตามตัวนี่ทาไปทั่วนี่ เข้าไปก็ไปพระเจ้าพิมพิสารนกะ็ไปนะท่านก็ลิ้มเลียด้วยนี่ก็อยู่ได้เพราะว่ามันเหมือนกับอาหารสกัด น, ะนวิตามินที่สกัดมันก็สามารถอยู่ได้ น, ะนี่พอสืบดูว่าบอกว่าพระมารดาก็ไม่เห็นเอาะไรไป น, ะนี่แต่อยู่ได้อย่างไรนะี่สืบไปสืบมาก็รู้เรื่องเขาว่าปรุงอาหารที่มีรสเลิศแล้วก็รูปไหลไปตามตัวไป จับได้แล้วตั้งแต่นั้นมาก็ห้ามไม่ให้ประมาณดาไปเยี่ยมเลยนี่ห้ามไม่ให้ไปเยี่ยมพนี่างก็ไปสั่งไปลาในวันสุดท้ายโอ้ท่านกล่าวพราณาเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะบอกว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไปนี่ข้าพระองค์คงจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ยก็คงไม่ได้พบพระองค์เน่จากนั้นกรรมอันใดที่ข้าพระองค์ได้ ประมาทพลาดพั้งร่วมเกินต่อพระองค์ด้วยกายวาจาใจทั้งในอดีตและปัจจุบันก็ขอให้พระองค์ให้อโหสิกรรมให้แก่พระพระองค์ด้วยเถิดก็พาลนาเนี่ยก็กลับไปด้วยความทุกข์ด้วยความเศร้าโศกลังจากนั้นก็พระเจ้าพิมิสารก็หมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีพระองค์ก็เลยรวบรวมถึงธรรมะที่พระองค์ได้ฟังจาก พระบรมศา ส, สดาเนี่ยว่าผู้ที่มีคุณธรรมต้องอยู่ด้วยธรรมใช้ธรรมโอสถเป็นเครื่องอยู่เนี่ยแสดงถ้าเรามองที่เขาคิชกูดกับพระเวรุวันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีโลเคชั่นให้ดูนะจากพระเวรุวันมองไปเขาคิชกูดยอดเขาแสดงที่พระคันทกุฎีจะอยู่บนยอดเขาสูงมองมาก็จะเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ พระเจ้าพิพัฒสารก็ใช้วิธีเดินจงกรมแล้วก็มองม า, มงมาทางนั่นเองเทวทัตประเนตมาทางเวรุวรรณที่พระองค์ทรงประทับก็อยู่ได้ด้วยปีติเดินจงกลมก็ไม่ทานข้าวไม่เสวยอาหารก็อยู่ได้ น, น, นี่พระเจ้าชาติศัตรูก็จริงๆก็จะลืมอยู่แล้วแหล ะ, ะแต่พระเทวทตัตอันนี้ไม่ยอมหยุด สวัน3มวันเป็นยังไงเนี่ยว่าเรียบร้อยหรือยังเนะี่ยยังไม่เรียบร้อยเนะี่ยเป็นเพราะอะไรเนะี่ยก็ให้ทหารไปเสืรบดูนะบอกว่าก็ไม่เห็นพระองค์สวยอะไรมีแต่เดินว่านะเดินจงกรมไปเห็นเดินจงกรมกลับไปกลับมาเดิอเนสวยสุขด้วยธรรมะเนะีนะ่ยนะพระอริยะอย่างพระอริยะเจ้าท่านอยู่เนะี่ยสุดท้ายต้องสั่งเอาใหม่เนะีนะ่ยบอกว่าให้ พระองค์แล้วเอามีดโกนแรกลฝ่าเท้าแล้วก็ชะโลมด้วยน้ำเกลือโอ้โหทำรุนทำอย่างทรมานมากเลยนะให้เดินไม่ได้เลยนะถึงตอนนี้แหละที่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตนีว่าได้รับทุกะเวทนาสุดท้ายก็สวรรคตเมื่อสวรรคตก็เป็นกรรมเหมือนกันเนาะพระบิดาสวรรคต ในวินาทีเดียวกันลูกชายคือพระกรุมาลคืลูกพระเจ้าซาสตรนะูก็เกิดก็เกิดพอดีเนะี่ยพอเกิดแล้วก็อำมาตย์พ่อจะทําไงดีเนะี่ยจะไปทูลพระราชานะพระราชาองค์ใหมจ่จะเอาเรื่องดีเรื่องมงคลหรือว่าเรื่องไม่ดีนะก่อนหลังก็เลยปรึกษากันว่าเออน่าจะเอาเรื่องเป็นมงคลก่อนนะเรื่องไม่เป็นมงคลเอาไปทูลทีหลังเนะี่ย ก็เลยตกลงกันไปทูลว่าอูน้นี่บอกว่าพระโอรสได้ประสูติแล้วเนี่ยพอพระชาวสัตตูพอรู้ว่าได้ยินข่าวว่าพระโอรสประสูติดีใจดีใจมีปีติมีความสุขความดีใจอันนี้ก็เลยสะท้อนไปถึงพระบิดานีสะท้อนไปว่าเออสมัยเราเกิดใหม่ๆเนี่ยพระบิดาคงจะมีความสุขเหมือนกับเรามีความสุขในวันนี้เนี่ยพอนึกได้อย่างนั้น เศร้าเลยนะเนี่ยได้ว่าเศร้าเสียใจเสียใจมากเสียใจก็เลยนึกได้ทันทีว่าแล้วพระบิดาของเราเป็นอย่างไรเนะี่ยพวกเธอรีบไปดูเถอะคือจะถ้ายังไงก็คิดว่าจะทันนะนะสนึกได้ว่าจะปล่อยพระบิดาแล้วเพราะว่านึกถึงพระบิดาตอนที่เราเกิดใหม่ๆเขาคงจะเหมือนกับเรานะแต่พอพูดอย่างนี้ปุ๊บอมบัดก็บอกว่าเสียใยเสียใจ นี่ว่าพระองค์สวรรคตรแล้วเท่านั้นแหละนรกเกิดขึ้นกับพระเจ้าซาสตูเลยเนี่ยเดี๋ย ว, วพระองค์เศร้าโศกตั้งแต่วันนั้นน่ไม่มีความสบายใจเลยนอนก็สะดุ้งบาดกลัวบาดเสียวคี้แต่เรื่องนี้นั่นคือกรรมนี่กรรมมันให้ผลแต่นั้นพระองค์แม้เป็นพระราชาก็หาความสุขไม่ได้เนี่ยเวลานอนกลางคืนสะดุ้งตลอดเนี่ยจนกระทั่งว่ามีวันหนึ่งนะ่ทุกข์มาก ไปหาศาสดาทั้ง6ให้แก้ปัญหาให้เรื่องนี้เรื่องที่จ ะ, ะหาอุบายที่จะให้มันไม่คิดถึงเรื่องนี้นะมันก็ไม่ได้นะี่ครูทั้ง6ก็ช่วยไม่ได้นี่วันหนึ่งก็เลยอามาตมาเฝ้าอามาตทั้งหลายมาเฝ้าแต่เดือนเดิน ง, ง, ง่ายๆก็วันนี้เนะี่ยพระจันทร์เต็มดวงบรรยากาศดีนะี่ มีใครน้อที่จะแนะนําเราได้ว่ามีคณาจารย์ที่ไหนพอจะบรรเทาความหนักประไทยของเราได้เนี่ยนี่อาบัติทั้งหลายก็กราบทูลซึ่งพระองค์ได้ไปหาหมดแล้วครูทั้ง6ไม่พอประไท ย, ยแต่ก็ไม่ได้พูดตําเนะอะไรเนี่ ย, เ, ยเพื่อให้เกียรติเขาเนี่ก็ไม่รับเื่อยแต่หมอฉีบบอกทั้นนั่งนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยเนี่ยพระองค์ก็บอกแล้วชีวกทําไมเธอนิ่งเงียบละ เธอไม่แสดงความคิดความเห็นอะไรเลยหรือเนี่ยแล้วเธอควรจะแนะนําเราอย่างไรเนี่ยนี่หมอสีวบอกเนี่ก่อนจะกล่าวก่อนจะแนะนําให้ไปเฝ้าพุทธเจา้านี่ก็ยกพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ ข, ขึ้นก่อนเนี่ยเหมือนเราสวดอิติปิโสเลยแหละเนี่อิติปิโสปะกวาระหังสัมมาสัมพุทโธสวากาโตสุปติปโนขึ้นก่อนเนี่ยเียว่านอบน้อมก่อนเลยเนะี่ย แค่นี้ในเรื่องเขาบอกว่าพระอาจารย์ท่านกล่าวว่าเพียงแต่นี่หมอชีพกกล่าวคุณพระรัตนตรัยขนนึ้นพระเจ้าชาติสุขขนลุกขนพองเลย เ, ยเกิดความอัศจรรย์โอ้โหมันมีความสุขบอกไม่ถูกหลังจากนั้นหมอชีพก็กราบทูลว่าขณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวรุวั น, นแล้วก็ห้อมล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นเรือนพันเรือนหมืนน่น แล้วก็เวลานี้พระองค์ทรงกำลังแสดงธรรมโปรดภิกษุนทั้งหลายอยู่ยถ้าพระองค์ต้องการจะเข้าไปพบสมณะชีพามก็ควรจะไปเฝ้าพระองค์เท่านั้นก็ให้เตรียมยานพาหน ะ, สะเสด็จในคืนนั้นเล ย, เนยพอเข้าไปเข้าไปเวลุวั น, นได้ยินว่าพระอยู่เป็นพันเป็นหมื่นทำไมมันเงียบจังเลยพระเจ้าชาตตูีเพราะคนมีศัตรูทาบาปเวละแวงอยู่แล้ว นึกไปนึกมาก็ย้ำถามหมอชีวกบอกว่าชีวกเธอไม่ได้ลวงเราเลยัไม่ได้ลวงนะนคิดว่าหมอชีวกจะลวงไป่านะเพราะว่าตากรรมไปเยอะนะึ่งเลยมองในแง่ไม่ดีไปหมดเลยก็บอกว่าไม่ใช่หรอก น, ะนี่ที่พระเวรวนันแม้มีพระมากก็จริงนยะแต่ว่าพระพุทธองค์นะทรงโปรดความเงียบเนะี่ยสันภาษาวกเนะี่ย จึงไม่มีแม้กระทั่งกะแอมเลยเวลาพระองค์แสดงธรรมนี่ภาษาพวกอยู่เป็นพันเป็นหมืน่นนี่จะไม่มีเสียงกะแอมเลยนี่เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงโปรดความสงัดหรือความเงียบโอ้ได้ยินแค่นี้แหละนี่ปีติขึ้นมาอีกนี่จนอุทานขึ้นมาว่านะบอกว่าพระภิกษุสงฆ์สงบเพ้นป่านนี้ด้วยเห็นความสงบเงียบของพระภิกษุสงฆ์ก็เลยคิดถึงลูกชายนะ บอกว่าขอให้พระราษกรมาลของเราจงสงบเหมือนพระภิกษุสงฆ์ในเวรวันนี้เถิดว่างั้นอธิษฐานจิตเลยนี่ก็เลยไปเฝ้าพระองค์เนี่ยพระองค์ซึ่งได้แสดงสามัญตญรเป็นสูตรแรกๆของพระสูตรเลยเนี่ยแต่ก็ไม่ได้บรรลุทำอะไรเนี่ยเพียงแต่เพิ่มความศรัทธาเรื่มใส่พระองค์ก็รู้แล้วว่าเนี่ยพอทำกรรมหนักมากกรรมตอนนั้นเมากกันคุณธรรม ไม่ให้บรรลุทำแม้พระโสดาบันก็บรรลุไม่ได้เนี่ยพราะองค์ตว่าถ้าไม่ฆ่าบิดานะพระเจ้าชาตศัตรูนี้จะสำเร็จมรรคผลในขณะที่ฟังธรรมนี้เลยเนี่ยแต่เนื่องจากไปครบคนผ่านคือพระเทวทัตเนี่ยกรรมชั่วอันนั้นก็เลยมาปิดบังไม่ให้บรรลุทำเพียงแต่เสี ย, ยใจนึกพอนิอจิตจะเนอมไปบาปมันก็มาไงเนี่ยกรรมที่กระทำไว้มันก็มากวนเน่พูดเป็นภาษามนุษย์ก็เรียกว่า เราไม่น่าทํากรรมอย่างนี้เลยเนาะแต่ก่อนทำไมไม่ได้ยินธรรมไม่ได้ฟังธรรมอันนี้เลยเยถ้าเราได้ฟังธรรมนี้เราคงไม่ทํากรรมหนักอย่างนี้มันก็จะมาลบกันอยู่ตลอดเวลาจึงกั้นไม่ให้บรรลุคุณธรรมจึงได้แค่เพียงความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเหลังจากนั้นก็ได้บํารุมพุทธศาสนาสร้างบุญบา ร, รมีนี่ก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนกันนะนี่น พุทธองค์ทรงพยากรว่าเขาจะต้องตกลงลกหมกไหม่ไปอีกนานเหมือนกันเนี่ยพ้นกรรมนั้นแล้วถึงจะได้เป็นพระประเจคพุทองค์หนึ่งเหมือนพระเทวทัตเหมือนกันเนี่ยนั่นคือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเทวทัตนในพุทธศาสนาวันนี้คงจะสมควรแก่เวลา